อาจารย์ครับกลาวนำมาตการครับเจารันพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่สองร้อยสิบสี่แล้วครับอาจารย์ครับแล้วก็วันนี้มีกรณีพิเศษครับอาจารย์วันนี้เราทําหนังสือมาแจกครับอาจารย์ครับอหนังสือดีเนี่ยก็เสิแแดงนิพานของน้องตามาบัวครับมีเจ็ดชุดยอดเลยใช่ไหยครับอาจารย์เล่มนี้อืม ตอนหลวงตาเทศพระอาจารย์นั่งอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับผมไม่แน่ไม่ทราบว่าท่านเทศไปนันปีไหนบ้างปีหนึ่งแปดครับพระอาจารย์ครับหนึ่งแปดท่านหนึ่งแปดก็อยู่ก็จะเป็นชุดชุดที่ท่านเทศให้คุณคุณเผาพงงานรึเปล่าที่เป็นล่องบังเลงเนี่ยที่ไปอนนขอซื้อครับอันนี้เหมือนเทศให้พระครับอาจารย์ครับรท่านหนึ่งแปดแล้วก็เริ่มมาอยู่ที่นั่นเริ่มอยู่ตั้งแต่เมษาหนึ่งแปดอครับผม ครับอาจารย์แล้วเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปบินธบาทมีคนไปใส่บาทเยอะไหมครับก็ประมาณสี่ร้อยสิบเอดคนสี่ร้อยสิบเอดอนบลา์อคนมาฟังธรรมก็190ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองที่หน้าปุิแล้วก็ถ้ารวมกันทั้ง ท, ที่ติดตามทร้งบานก็ประมาณเก้าร้อยสิบกว่าเก้ารอยสิบสองครับผมตอนนี้มีคนฟังอยู่ที่นี่ประมาณ พันสองร้อยกว่าคนนะครับพระอาจารย์ครับก็เลยธรรมะนี่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับยารักษาโรคร่างกายอยารักษาโรคร่างกายไม่สามารถรักษาโรคทางใจได้ทางใจยารักษาโรคทางใจคือธรรมะสดครับเขหัว ข, ข้อเลยครับอาจารย์วันนี้ผมตั้งหัวข้อ ปาใจไม่ให้ป่วยครับอาจารย์ครับกลับขอปัญญาอาจารย์ครับ <c oughs> กบ็เหมือนกับร่างก็เหมือนกับร่างกายใจก็ต้องมียาคอยคอยรักษาเวลาใจไม่สบายก็ต้องใช้ยาของใจนะครับพอไปไหายไปแนละ้วยวกับมเพราะ <c oughs> นั้นเราต้องเตรียมยาไว้เวลาที่ ใ, ใจเราไม่สบายเราก็กินยา แล้วใจของเราก็จะหายจากญาที่เรากินนั่นก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันสติสมาธิและปัญญาอันนี้จะช่วยรักษาความไม่สบายใจของเราให้หายได้เวลาเกิดขึ้นถ้าเป็นสติกับสมาธินี่ก็จะช่วยรักษาให้หายแบบชัว่วคราวถ้าเป็นปัญญาก็จะรักษาให้หายแบบ ท้าว่อเพราะว่าสาเหตุของความไม่สบายใจก็คือความอยากต่างๆสารประการความอยากเสพ ร, รูปเสียงกิ่นลดผลทพัชที่เรวากา ร, รมัตตัญหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาว ต, าตัญหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าไมภวะตัญหาน ปัญหาเหานี้เกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่ใจจะไม่สบายขึ้นมาเมือนกัร่างกายถ้าติดเชื่อไวรัสเมื่อไหร่ร่างกายก็ไม่สบายขึ้นมาทันทียังก็ต้องใช้ยาถ้ารักษาแบบถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้เพราะปัญญามันเป็นของที่นึกซึ้งที่ยากกว่ า, าสติก็ให้ใช้สติทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิพอใจสงบความอยากที่ ใช้การเคลื่อนไหวของใจก็จะต้องระ ง, งับลมชั่วข่าวพรความอยากที่ทำให้ใจไม่สบายถูกระ ง, งับด้วยกําลังของสติสมาธิใจก็หายจากความเจ็บไข้ได้ปวดชั่วข่าวแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วเกิดความอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วไม่ได้เป็นไปตามความอยากใรก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกใรจะไม่สบายขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้ใจหลังจะออกสมาธิมาแล้วไม่ทุกข์ก็ต้องกำจัดตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากเช่นอยากให้บ้านเมืองสงบอยากให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทุกคนอยู่ดีกินดีพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากมันก็เลยทำให้เรา ทุกใจไม่สบายใจนี่ถ้าจะรักษาด้วยปัญญาก็ต้องมองความเป็นจริงว่าถ้าบ้านเมืองของเรามันเป็นอะไรลมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่นิ่งหรือเปล่าหรือมันมีการแ ป, ปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่เลยก็คือดูว่าเป็นตายรักหรือเปล่าบอนเมืองเราก็เป็นอนิจจังมันก็มีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสือ่อม เป็นอนัตตามันเป็นเหตุมันมีเหตุมีปัจจัยหลายประการที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับทุกเหตุทุกปัจจัยได้มันไม่มีมันไม่ ม, มีภายใต้การควบคุมอนะของควบคุมบังคับของใครคนใดคนหนึ่งไม่มีอตัตาที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราเราไม่เป็นเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายอมรับว่าช่วยไม่ได้ เราทําเต็มที่แล้วก็มันก็ยังก็เป็นอย่างนี้อยู่เองเราก็ต้องหยุดความอยากของเรายอมรับความจริงว่ามันจะวุ่นวายก็ต้องวุ่นวายมันจะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมองมันเป็นเหมือนกับพายุหรือดินฟ้าอากาศพายุมันจะเข้ามันจะเข้ามาไม่มีใครไปยับยั้งมันได้เพราะมันเป็นเหตุสุดเหนือวิสัยของคนใดคนหนึ่งที่จะไปควบคุมพายุได้ ในบ้านเมืองความแปลป่ยของบ้านเมืองก็เป็นเหมือนพายุเที่เวลานมันเกิดปัญหาเกิดเรื่องวุ่นวายมันก็เหมือนกำลังมีพายุเข้ามาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้แก้ด้วยปัญญาแต่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของการแปลป่วดเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยมันก็เลวลงมันสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นหมือนลูกคลื่นเนีะครั็มีขึ้นมีลงเราก็ไม่สามารถไปจัดการกับเหตุปัจจัยต่างๆที่จะทําให้บ้านเมืองสงบหรือไม่สงบได้เมื่อเราเห็นความจริงอันนี้แล้วเรายอมรับมันก็ปล่อยวางให้จะเกิดขึ้นก็เกิดอันที่ส่วน ไม่ว่าใครก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทั้งหมดเนะทั้งเราทั้งเขาในที่สก็ต้องแก่เจ็บตายกันหมดอย่างเคยยกตัวอย่างให้ให้เราเป็นข้อคิดอยู่เนี่ยก็ย้อนอดีตไปสมัยกรุงศรีือสมัยสุขโขทยัยมันก็มีเรื่องอย่างนี้แหละใช่ไหมมันก็ต้องมีการแก่งแย่งชิงดีแย่งอานาจกนันเป็นเรื่องของของกิเลสตัณหาของคนอยากเป็นใหญ่อยากได้นายศเสริญสูขกันทุกคน มันก็ต้องมีการแข่งแย่งชิงดีกันด้วยด้วยกลุ่มเม็ดต่างๆที่อาจจะถูกกดบ้างอาจจะไม่ถูกกดบ้างอะไรก็สุดแท้แต่มันมาเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเป็นางา น, นตอนนี้สุขโขทัยเป็นยังไงบ้างก็ เ, เลยแต่สร้างาษฎร์ไอ้พวกที่แข่งแย่งชิงดีกันฆ่ากันมันก็ตายกันไปหมดอยู่ดีพวกเราที่กำลังแข่งแย่งชิงดีกันอยู่ในวันนี้ เดี๋ยวถ้าอนุชนรุ่นหลังกลับมามองเราอีกหลายปีข้างหน้าเราก็ตายกันไปหมดอยู่แล้วบ้านเมืองอาจจะอยู่ได้อาจจะอาจจะพังไปอาจจะต้องย้ายไปสร้างบ้านเมืองใหม่ที่อื่นเครื่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของกฎขมงตายรัของนิจัรทุกทางน้ะตาถ้ามองภาพทั้งภาพเล็กกละภาพใหญ่มันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนถ้าเรามองแต่ภาพเล็กเราจะไมเราจะหลงได้ตรง เราลืมไปนะจะเป็นว่าภาพใหญ่นั้นในที่สุดมันก็ตายกันหมดนะจะใครจะรวยใครจะเก่งใครจะใครจะเป็นใหญ่เป็นโตนหรือไม่มันก็ในที่สุดมันก็มันก็ไปที่ที่เดียวกันนก็คือไปที่วัดเราจะไม่วุ่นวายกันหมนทำไมก็ทําไปเท่าที่เราทําได้แล้วกันมีส่วนอะไรที่เราทาให้มันดีได้ก็ทําไปตามกําลังของเราครับ มันมันเป็นกับทุกเรื่องอ่ะเรื่องครอบครัวก็เหมือนอยากครอบครัวเรามีความสุขบางทีมันก็ไม่สุขเห็นไหมแล้วแล้วก็ควบคุมมันครับไม่ได้ไอ้ตัวภาวะตารหาเนี่ยตัวสำคัญเยมันเป็นตัวที่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ส้มเป็นกล้วยอยากให้คนนั้นตอนเป็นส้มเดี๋ยวย้า้ก็เป็นกล้วยเนี่มันก็มันก็ไม่ได้มันก็มันก็ทุกข์ใจอยู่นะตัวภาวะตารหาเนี่ยสาคัญแล้วอีกตัววิภาวะทาหาก็ออยากแม่นเกิด เช่อยากไม่ให้ร่างกายของเราแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายไม่อยาก เ, ออเสื่อมทั้งโลกโลกธรรมไม่อยากจะออสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากจะสูญเสียยศถาบรรดาศักดิ์ไม่อยากจะสูญเสียการสลรเสริญไม่อยากจะเจอกับคําทระหานินทาต่ า, างๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทำเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ได้ ใจไม่สบายได้วิธีแก้ก็คือต้องทําใจเฉยๆต้องยอมรับ ว, ว่าเราอยู่อยู่กับดินฟ้าอากาศเราเราแก้ดินฟ้าอากาศไม่ได้แต่เราแก้ตัวใจเราได้ยอมรับดินฟ้าอากาศวันนี้ฝนจะตกก็ทําใจอยู่กับฝนตกไปพรุ่งนี้มันร้อนก็ต้องอยู่กับความร้อนไปต่อไปเนี่ยไม่กี่เดือนมันหนาวก็ต้องอยู่กับความหนาวไปเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่เราสามารถปรับใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมหยุเดเย็นเนียยอมก็คือยอมรับความจริงยอมรับสภาพของความเป็นจริงแล้วหยุดต่อต้านอย่าพยายามไปเปลี่ยนแปลงเลยอย่าไปเปลี่ยนไ ป, ไปเปลี่ยนดินฟ้าอากาศหนาก็อยากจะให้มันร้อนร้อนก็อยากจะให้ฝนตกอะไรเงี้ยไม่ตกก็ต้องไม่ตกมันจะร้อนก็ต้องร้อนไปแล้วก็ทําใจเฉยๆไป วิธีที่เราจะทันใจเฉยๆได้ก็ต้องอาศัยสติกับสมาธินี่แหละพยายามเจริญสติให้มากๆคยควบคุมความคิดหยุดความคิดเพราะความคิดนี้เป็นเครื่องมือของความอยากเอาคิดแล้วมันก็อดที่จะอยากไม่ได้แต่ถ้าไม่คิดมันก็จะไม่อยากถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากง่าชั่วคราวแล้วพอเราใช้ปัญญามาสอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความ ของความทุกข์องความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงล้วก็อยากไปทําตามความอยากอยู่เฉยๆไปับแต่ว่ารู้ไปอยู่กับโอเบคขาไปปัญหาคือพวทุกคนอยู่เฉยๆกันไม่ได้เนี่ยออกมาเต้นกันเนี่ยเอามาเต้นกันมันเป็นแสงแล้วมันได้อะไรครับมันอาจจะได้การเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวมันก็ มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยมันราทวงมันตั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมันจำได้เลยสิบหตัวแปดตัวอะไรหกตุลาสิบหกตุลาอะไรมันมีการประท้วงกันอยู่เรื่อยๆแล้ก็มีการต่อสู้การฆ่าพันกันแล้ว ก, กลับมาสงบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เพราะปัญหาของคนเนี่ยปัญหาคือความอยากได้ลาบลดสารสนิทของทุกคนเนี่ย ใครมีโอกาสมีช่องมีทางที้ให้เขาทําให้เขาได้เขาก็เขาทําไปตามตามความรู้ตามความสามารถของเขาเมื่อเขาได้เขาก็ต้องพยายามรักาษาผลประโยชน์ของเขาไว้ให้ได้ไนานที่สุดเท่าที่นนานได้อาจารย์ครับผมผมจริงๆผมโชคดีมากเลยนะครับพระอาจารย์ผมได้ฟังพระอาจารย์ตลอดอย่างนี้แล้วผมไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องเหล่านี้นะครับพระอาจารย์แต่ว่า ที่ผมทําเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ทําไปตามหน้าที่แต่เรื่องของผลเนี่ยครับอาจารย์ผมก็ได้ได้ขอบคิดพระอาจารย์มาสอนตัวเองด้วยว่ามันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยผมนึกเหมือนพระอาจารย์สอนเลยครับอายุธยาสุขโขทยัยมันก็เป็นอย่างนี้นครับ อ, อยุกทุกสมัยครับนทุกประเทศนะเราลองสังเกตอยู่แต่ละประเทมันมีการต่อสู้กันทุกทุกประเทศนทะภายใน การบ้านการเมืองของทุกประเทศเนี่ยว่าก็าอาจจะมีกฎมีกติกาแล้วมีอะไรที่มันอาจจะไม่วุ่นวายเหมือือนของเราก็ได้แต่แต่ละประเทศก็มีมีมีวุ่นวายมากวุ่นวายน้อยแล้วแต่กฎกติกาของแต่ละประเทศแล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาหรือไม่แต่มันมีตลอดเพราะนี่คือธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสคือมีการมัตัณหาเพราะตัณหาวิบประวตตัณหาอยู่ ถ้าเราไปอยู่กับผ้าร้านเนี่ยผ้าห้าร้อยรูปนี้ท่านนั่งเฉยๆท่านไม่ต้อง น, นั่งทะเลาะกันเนร่ย <c oughs> ฉันสั ง, งยานาพระพุทธศาสนามสอนพรธเจ้าครั้งแรกสามเดือนหลังจากที่พระเจ้าบรินีผ่านแล้วท่านก็นมานั่งมานั่งทบทวนคำสอนกันไม่เห็นนั่งมาเฉงกันาปากเปลี่ยกปากฉีก็เลยบครับอาจารย์ ผมสังเกตว่าเพื่อนๆไม่ไม่มีใครถามเลยนะครับเนี่ยส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับทุกช่องทางนะครับวันนี้ดีใจ<ม>อะการแจกหนังสือกันหมดแล้วฟังว่าอาจารย์ตรงตรงตรงประเด็นกับยุคปัจจุบันเขาแจกแจกกีก่เล่มเนี่ยแจกทุกทุกคนที่ต้องการวันนี้แจกเจ็ดร้อยชุดครับอาจารย์ครับเจ็ดร้อยเลยเนี่ยโอ้โหจะได้รับกันเยอะยนะใช่ครับอาจารย์ก็ก็ให้ให้แอด ไลน์นะครับที่ธรรมะหนึ่งหนึ่งสองนะครับ D H A M M A 1 1 2นสองนะครับถ้าใครเข้ามาทีหลังนะครับผมขอโอกาสถามคำถามจากผู้ที่ส่งคำถามเข้ามานะครับเป็นจิตอาสาครับช่วยวัดจัดอาหารทำความสะอาดที่วัดอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้เหมือนกับท่าทุนเหมือนกับบริจาคเงินทองให้กับวัดเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะใช้เงินทองเราใช้กำลังกายกาลังใจของเรา ทำเกิดให้เกิดประโยชน์แ้วเรากนถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเราก็ดูว่าถ้าเราไปรับจ้างเราต้องได้ค่าแรงเท่าไหร่มันก็ถือว่าเออเราเหมือนกัเราเลจะเอาค่าแรงนั้นมาทำบุญทำทานให้กับวันก็ <ๆ S 2> เหมือนกันน่ะโอ้นี่แจกหนังสือตอนนี้คนดูกันพันหกร้อยกว่าคนเลยครับป้าจ่าอาจจะหัวข้อกำลังกาลังเป็นกระแสสังคมได้ไหมครับ ใครๆข้รู้สึกถูกกันหมดเลยครับอาจารย์คนทั่วจะถามพระอาจารย์ว่าสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิก่อนถึงจะได้บุญมากๆใช่ไหมครับคือการสวดมนต์ก็เป็นการช่วยสร้างสติถ้าบางทีสติเรายังมีน้อยเราไม่สามารถนั่งสมาธิได้คือนั่ ง, ลงแล้วใจฟุ้งเราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพื่อสร้างให้เกิดสติขึ้นมา แล้วลความพุ้งส้างของของจิตได้เพราะจิตอยู่ในระดับที่นั่งสมาธิได้แล้วก็นั่งสมาธิต่ตอไปขออนุญาตพระอาจารย์อีกครั้งนะครับเพื่อนๆบอกว่าขอแอดไลน์ตัว D นะครับไม่ใช่ตัว T นะครับ d h a m m a 1น2นะครับแอดไลน์ในนี้นะครับอาจารย์ครับ หนุ่มน้อยถามว่าผมไม่บอกใครว่าผมไปทุราครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนอกจากว่าถ้าเรามีพันธะกรณีที่จะต้องบอกเราก็ต้องบอกนั่นเองเช่น ถ, ถ้าพ่อแม่สั่งว่าจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้รู้ก่อนนะถ้าเราอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อแม่พ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเป็นใยเราเขาก็ อ, อยากจะรู้ว่าเราไปไหน ้เราไม่บอกเราก็ไปทาให้พ่อแม่วิตกกังวลขึ้นมาก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่โดยใช่เหตุอยากเรียนถามพระอาจารย์แนะนำการทำสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นให้ได้ครับก็การนั่งสมาธินี้คือการควบคุมใจไม่ให้คิดปุ่มแตกปกติใจเราจะคิดทั้งวันทั้งคืน เราเวลมาขึ้นมาเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ตอนนี้ตั้งแต่ช้ามาถึงบัด น, นี้ยังไม่ได้หยุดคิดกันเลยคิดกันมาตลอดเวลาใจเราไม่เคยสัมผัสกับความนิ่งความสงบของใจที่เรียกว่าสมาธิถ้าเราอยากจะให้ใจสงบนี่เราต้องมีสติคือการนั่เลิกเลื่อยกำกับใจให้นั่งเลิกอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะทําให้ใจนิ่งสงบได้ ในตำรานี้มีกรรมฐานอยู่4ี่สิชนิดด้วยกันแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเริ่ต้นใหม่ๆนี้จะใช้กันอยู่สองสามชนิดชนิดที่ใช้กันมากที่มากกันก็คือพุท ธ, ธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการด้วยการบริกรรมหรือท่องคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจเวลานั่งสมาธิเร า, านั่งหลับตาล้วเราไดมีสติคอยกา ก, กับใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่าปล่อย ให้ใจไปทิ้งจากพุโทโธไปจะมีเสียงมีภาพมีอะไรมันปรนกวนก็อย่าไปตา ม, มตามรู้จะรู้สึกคันตรงนั้นจะรู้สึกอยากจ ะ, ะเกินน้ําลายหรอะไรนั้นะก็อย่าไปทําด้วยอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรนะื่อยๆถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้ต่อไปความคิดไปก็จะค่อยๆหมดไปแลวใจก็จะนิ่งสงบเกิดความสุขที่เกิดจากการนั่งทำสมาธิ แต่ถ้าเรานั่งแลาวยังไม่สามารถพุโทโธได้นะพุโทโธได้สองสามคำหายไปแล้วกลับไปคิดอีงแล้วก็แสดงว่าสติเรามีน้อยมากเราต้องพยายามฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งพระอาจารทรงสอนให้เราเจริญสติทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาก็ให้เริ่มเจริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะทําอะไรก็พุโทโธไป ถ้าเราต้องใช้ความคิดแกมงานที่เราทําเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวก่อนพอเราทําคิดเสร็จเกี่ยวกับเรื่องงานเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธต่อถ้าเราสามารถผูกใจให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เร็วได้ง่ายและได้นานด้วยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้าบางท่านอาจจะไม่ชอบพุโทโธก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจ ม, มูก ใช้การดูลมเป็นการผูกใจการดูลมนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าอานาปนสติการดูการมีสติรู้อยู่กับลมเข้าออกรู้อยู่ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ า, า, าว่าหายใจออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ให้ดูลมให้ผูกใจไว้ต่อการดูลมลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว เราอยากก็รู้ว่าอยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องทําอะไรให้รู้อยู่ที่จุดเดิมถ้าเราหายไปนี่แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตกําลังจะเข้าสู่ความสงบถ้าเราไม่ไปคิดอะไรไม่เป็นตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิต่อไปอันนี้ไกลวิธีหนึ่งท่านเล่าการใช้นั่งสมาธิบางคนก็ใช้สองอย่างผสมกันก็ได บางคนใช้ทั้งพุโทโธใช้ทั้งการดูลมหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโท่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จิตแล้วแต่ความพอใจแต่ข้อสําคัญเวลานั่งเ้าต้องอยู่กับงานางการนี้งานเดียวไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ถ้ารู้ว่เผลอไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมก็ต้องเดินกลับมา ท, ทันทีแล้วท่านมีอะไรมาหนึ่งไปอาจจะมีเสียงบ้างอาจจะมีแสงอาจจะมีภาพอนไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตาม อยาไปตามรูกให้กลับมาทํางานอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยถ้าทําถ้าอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจไนดะ้เดินใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้จะอยากจะใส่บาตรพระนะครับแต่ว่าขับรถอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วพอดีเห็นพระอยากจะใส่บาตรก็เลยบีบแตรใส่พระอย่างนี้ถือว่าเหมาะสมไหมครับพอาจารย์ ถ้าท่านไม่รู้ว่าเราบแต่ทาไมหรอกปกติท่านจะค่อยสนใจกับสิ่งแวดล้อมทัหลายในเวลาท่านมีินบบัท่านก็จะมีสติอยู่การเดินของท่านท่านจะสารวมนั่ก็มันก จ, จะไ ม, ไม่ไม่ทราบวจะได้ผลหรือเปล่าถ้าท่านหันมองๆนเราขวักมือโบอกมือโบอกรอเดี๋ยวมีทาการจะรอก็ได้หรือทำให้ดีก็ย้อ ขับรถมาแล้วคับรถตามท่นไปก็ได้ท่านก็แม่เดินถึงขนาดที่เราขับรถจะตามไม่ได้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกช่องท้องมันโล่งตัวเบาเกิดจากอะไรครับกําหนดดูลมตลอดการนั่งเลยครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอย่งไปอยากจะรู้ว่าเกิดจากอะไรให้ร้วมันเป็นภาวะภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิ มองว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราควบคุมบางครั้งไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยทั้งน้มันเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปแล้เวลาเรานั่งสมาธิราจะไม่สนใจกับเรื่องอะไรทั้งหมดที่ทปรากฏขึ้นมาสนใจอยู่เรื่องเดียวคือกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้เท่านั้นเองมีคนแอดไลน์ผิดนะครับต้องแอดไม่มีตัวแอดนะครับไม่มีตัวแอด เป็นดัมมะหนึ่งสองเฉยๆนะครับจะไปใส่ตัวแอดไปข้างหน้านะครับคารวาสสามารถบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดได้ถึงระดับใดครับได้ถึงขั้นพระนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเจริญปัญญาสติปัญญาสมาธิมากให้ได้ครบหรือเปล่าไดครบก็าสามารถที่จะบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาส ทำไมอัตราตัวตนมีวิธีละอย่างไรเจ้าค้าทําไมกิเลสตัวนี้ถึงดูออกยากจังเลยครับอย่าไม่สนใจว่าทำไมเลยถ้ารู้ว่าเราต้องกําจัดมัน้วิธีที่จะ ก, กําจัดมันก็คือทําตัวเราให้มันตัดต้อยที่สุดพระเจ้าบอกให้เราสมมุติว่าเราเป็นเหมือนปัตภีเป็เหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่ <Okay. S 2> ใครอยากจะเหยียบย่ำก็เหยียบได้ใครอยากจ ะ, ะปัจเจ้าปัสวะอุจาราใส่แผ่นดินก็ได้ เป็นดินยอมรับทุกอย่างยอมรับสภาพที่เวลซามที่สุดที่ต่ำที่สุดอันนี้เป็นการลาอัตตาตัวตนอย่างเวลามาบวชพนาดท่านาไม่ให้ไปนั่งหัวแถวสอาให้เป็นลูกอดิบดีลูกนายกบัมนตรีเวลาบวชก็้าไปอยู่้า้แถวเหรือ น, นตอ น, เ ป, นเป็นเหมือนกับเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ ทางศาสนานี่เราจะเราจะดูที่พรนสากันในข้างพุทธกาลนี้มีเจ้าชายอยู่ห้าลูปเป็นญาติของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอยากจะขอบวชนั่นอยากบวชพร้อมกันห้าลูปเลยแล้วก็มีช่างตัดผมอยากจะขอบวช ด, ด้วยขอติดตามบวช ด, ด้วยเจ้าชายนะห้ารูกก็ปเลยปรึกษากันว่าให้นามาบวชเพื่อล่าตัวตนเราไม่ได้เป็นเจ้าชายนะเวลาเราบว ในเวลาเราบวชที่เราจะให้ช่างตัดผมก็บวชก่อนเวลาค่อยบวชที่เพาเขาก็บวชก่อนก็แสดงว่าเขาอาวุโสกว่าเราแล้วก็เราต้องกราบเขาละเวลาที่เราเป็นพระพระพระน้อยจะต้องกราบพระผู้ใหญยอันนี้เป็นการรับตัวตนเป็นการบวชแบบบวชเพื่อรักกิเลสจริงๆแต่ถ้าบวชแล้วมามีมีนายหนึ่งมาขอบวชจากหลวงตาเป็นเป็นลูกของนายพ มาบวชก็ขออนุญาตเราเอาเอาในสิทธ์มารับใช้พระได้ไหมหล <c oughs> วตาบอกทางในสิทธ์มาก็พระก็ยอมมาก็าาาจะพามาก็กอยาอาในสิทธ์มาให้เรื่องก็ทำทั้งสองทั้งคู่ไได้ครับ <c oughs> คนไม่เข้าใจตรงทีบวชแล้วยังทย อ, อยทะยอสถาบันดาศากอยู่ว่ายังเป็นเป็นลูกในคนเป็นลูกอะไรของใครอยู่เป็นท่านลูกหลานท่านเนี่ย เวลมาก็ไม่อยากจะให้ลำบากอยากให้สบายอยากให้มีคนมารับใช้อันนี้มันไม่ได้มารักกิเลสมันมาเป็นการมามารักษากิเลสได้รับสิ่งของมาจากผู้อื่นแล้วนําไปถวายพระอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ถ้าเป็นของของเราแล้วถ้าก็ให้เราแล้วแล้วก็ไม่มีข้อผูกพันผูกมัดใจใด เราจะไม่ให้ใครก็ได้ให้พระก็ได้ให้โองเรียนก็นได้ให้นองพยาบาลก็ได้ได้บุญเหมือนกันถ้ามีคนมาดูถูกเราจะทํายังไงให้ไม่คิดเพราะมันฝังใจมากเลยครับแม้ว่าจะไม่คิดพอเพลอไปมันก็คิดอยู่ไม่ลืมเลยครับท่านให้ดูให้ฟังด้วยเหตุผลไงถ้าานดูถูกเราถ้าก็สิ่งที่เขาพูดมันถูกเราก็ต้องยอมรับต้องขอบคุณเขา เช่นเขาว่าเราไม่ดีชอบโกหกอย่างนี้ถ้าเรามาตรวจตาดูตัวเราเออเราก็ไม่ดีอย่างที่เขาพูดนะเราชอบโกหกแต่ไม่มีใครชี้บอกเราสันทีเราก็ไม่รู้สันทีว่าเราเป็นคนชอบโกหกเราก็ต้องขอบคุณเขาคือท่านบอกว่าคําพูดของคนอื่นนี่คำํำคำมา ก, กา่าต่ำนิตรีนี่เป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเวลาที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนจะออกจากบ้านนี่เราต้องดูกระจกก่อนใช่ไห หน้าตาเราเรียบร้อยหรือเปล่ามีขี้มูกมีมกะอะไรติดหรือเปล่า <ier> หน่วยเข้าโกนเรียบร้อยหรือไม่ถ้าเราไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าเฉะนั้นถ้าเราไม่มีกระจกเราก็ต้องอาศัยคนที่เขามองเห็นหน้าเราบอกเราเออตรงนี้ตรงนี้ยังเปื้อนอยู่นะตรงนี้ยังไม่สะอาดนะเะฉะนั้นทันที่เราจะไปโกนเขาเราควรจะขอบคุณเขาะขอบคุณเค้าที่เขาชี้ชี่ ชี้โทษนั่งชี้ข้อหมกพ่อของเราชี้ท่านเถอะท่านเรียกว่าเป็นการชี้คุมซับให้กับเราแต่ถ้าถ้าแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่มีความจริงเราก็อย่าไปถือสาเขาเราก็คิดว่าตาเขาบอดใช่นหมเขาว่าเราเป็นหมาอย่างเงี้ยไอหมาอย่างเงี้ยเราก็ดูมีหางเขปล่าว่ะหางกูก็ไม่มีตาตากูก็ไม่เหมือนหมาแล้วกูอยู่บนกบทั้แล้วให้ดูด้ฟังได้เห็นได้ผลดูตามหลักความเป็นจริงกัน ถ้าเราจะไม่เกิดไม่จะไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความน้อยใจไม่เกิดความเสียใจถ้าเขาประเมินตัวเราผิดแสดงว่าตาเขาไม่ดีความประเมินของเขาประเมินเราต่ำไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปเราห้ามเขาไม่ได้แต่ขอให้เรารู้ตัวเราเองว่าเราเราเป็นอย่างไรก็พอถ้าเราไม่ถูกเราไม่ดีแล้วเขามาชี้บอกเราเราไม่รู้มาก่อนเราก็ควรจะน้ําน้อมมาแก้ไขดัดแปล แล้วคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือตัวเรานั่นแหละเช่เวลาไปอยู่กับกูบาอาจารย์ให้เราถธอหนักเนี่เวลาที่ท่านดูดาว่ากาตัติดเน น, นี้แสดงว่าท่านให้ใบเหลืองเราแล้วใบเหลืองใบแดงแล้วลองที่ทษเนยให้เรารู้เพอท่านพูดปั๊บนี่ต้องเรียกว่ามาพิจารณาเนาะพยายามแก้ไขดัดแปลงทันทีอย่าให้ท่านทักพูดซ้ำสองถ้าซ้ำสองนี่แสดงว่าสอนยากนะต่อไปท่านก็อาจจะไม่สอนท่กากอาจจะ ให้เราไปอยู่ที่อาจารย์ครับแล้วถ้ามีการบูลลี่หน้าตาความพิการหรือเชื้อชาติอย่างเงี้ยครับจะทำทำใจยังไงครับก็อย่างที่พูดเนี่ยถ้าเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าเราตามบอทเขาว่าเราตามบอกก็ยอมรับเราตามบอทถ้าเราผิวดำเขาจะว่าเราผิวดำเราก็ยอมรับไป น, <S <S นั่นเองปัญหาคือเราก็มีทีเฟรเราก็ไม่ยอมรับความจริงแล้วอยากจะให้เขาชม วันที่หน้าตาเราขี้เหร่แต่เขาบอกว่าอย ค, คุณนรอแล้วเกินเนี้ยยิ้มแป้นขึ้นมาทันทีเลยครับเวลาทําบุญเอ่ยชื่อลูกเพื่อนๆพนพี่น้องจะได้อานิสงส์ด้วยกันกับญาติไหมครับไม่ได้หรอกบุญนี้ต้องของใครของมันทํากันเองทําแทนถึงไม่ได้ทําแทนได้พระเจ้าทําแทนพวกเราขอให้พวกเราไปนิพพานกันหมดเลย คนเราไม่ต้องทําอะไรนั่งรอให้นั่งรอทําให้พรของพระเจ้าให้เราก็ไปถึงนิพพานกันนะเคยฝึกอยู่กับลมหายใจได้แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะฝึกยังไงต่อครับก็นั่งให้มันสงบให้มันนิ่งให้เข้าเข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือเข้าสู่รูปฌานสี่ให้ได้จิต น, นิ่งสงบแล้วเกิดความสุขที่เหนือวกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าถึงจุดนั้นนะมันไม่ทั้งถามกันมันรูว่า อ, อ๋อนี่แหละคือคือความสุขที่สุดยอดอยู่ตรงนี้เองนมันก็จะพยายามที่จะเข้าเข้าสู่จุดนี้ให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียนพระอาจารย์ครับท่านประธานวุฒิสภามาฟังอีกแล้วครับแล้วก็ท่านคอมเมนต์บอกที่พระอาจารย์สอนว่าการไม่ให้ความสําคัญกับตัวตนทําให้ใจเป็นสุขกราบสาธุพระอาจารย์ครับสาธุ ถ้าเราได้รับมรดกจากผู้ตายถ้าทำบุญอุทิศให้ผู้ตายผู้ตายได้รับบุญและตัวเราจะรับบุญด้วยไหมครับได้เราได้สองต่อเวลาเราทำบุญเราก็ได้บุญจากการทำบุญแ ล, แล้วเราเอาบุญที่เราได้มาไปอุทิศให้อีกทีแล้วก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งมีคนรักกันมาห้าปี สุดท้ายเขาทิ้งเราไปแบบไม่มีเยื่อใยเสียใจมากเลยครับอาจารย์ต้องทําอย่างไรครับก็เนี่พยพิจารณาด้วยปัญญาเนี้ยอันนี้จารความสัมพันธ์นี่ก็เป็นของไม่ทิ้งมมีเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้มีเกิดไม่ดับเป็นธรรมดาอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบั ง, บงคับของเราถ้าอยากจะควบคุมบั ง, บงคับอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์ ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากไม่อยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปไม่อยากให้เขาจากเราไปคือเพราะว่าตัณหาของเรนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับความจริงยอมหยุดเย็นยอมหยุดหยุดต่อตั้งความความจริงความจริงก็คือเขาจากเราไปแล้วพอเรายอมยอมรับความจริงว่าเขาจากเราไปหยุดต่อตั้งความจริงเราใจเราก็จะเย็นขึ้นมา ต้อหยุดความอยากของเราให้ได้ตอนนี้เราทุกข์ใจเพราะเรายังอยากให้เขากลับมาอยู่กับเราหรืออยากให้เขาไม่อยากให้เขาจากเราไปเรามองว่าเป็นภาวะตัณหาก็ได้เป็นวิภาวะตัณหาก็ได้ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเรียนสองด้านเนี้นงเลี้ยงอันเดียวกันแต่เรียนสองด้านแล้วแต่เราจะมองอยากให้เขาอยู่ก็เป็นภาวะตัณหาอยากจะให้เขาเออไม่จากเราไปมันก็เป็นวิภาวะตัณหา สติกับสมาธิต้องฝึกด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธใช่ไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งคือการเจริญสตินี่มันมีหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ามีกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้ในการเจริญสติได้แต่ฉหรับผู้เริ่มต้นเหมือนกับเด็ี่นทนังเสือใหม่ๆนี่ก็เขาก็จะสอนกอไก่ขอไก่ก่อนขาไก่ขอไก่ของการเจริญสติก็คือการเจริญพุทธานุสติธัทมานุสติหรือสังขานุสติ ใช้กรรมธีการพูดโธก็ได้ทำโอ้ก็ได้ไดสามโคก็ได้หรือทั้งสามอย่างรวมกันก็ได้พุโทโธธรรมโมสามโคก็ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญสติเพราะว่ามันจะทำให้ใจเรามีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าต้องอยู่กับคนที่เป็นมนลพิษต้องทำอย่างไรครับทำใจไง ทำใจอย่างเดียวยอมรับความเป็นจริงของเขาอย่าไปายางครับเปลี่ยนเา้าเขาเป็นส้อมอย่าไปยายามให้เขาเป็นกล้วยก็อาก็ยอมรับกินเราต้องกินส้มไปก่อนช่วงนี้ก็เป็นส้มให้กินก็กิไป่อนเราไม่อยากกินกล้วยเมื่รอให้คนในคนนี้ที่กินกล้วยผ่านมาแล้วแล้วเราเข้าไปกินกล้วยดีหนละังในขณะที่กวาดขยะรอบโบสพร้อมสวดมนต์นะโมสามจบสามารถที่จะปัดเป่าโรคภัยในตัวได้ไหมครับ ปั่นโรกใจได้แต่โลคโรค ก, ก, ก, กายปั่นไม่ได้ความไม่สบายใจนีอาจจะหายไปได้เพราะใจเรามีความสุขโดยจากการมีสติไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ความทุกข์ก็จะหายไปได้ทั้งใจแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้ยังไม่หายเรารักษาถ้ารักษาได้ก็หายถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจจะตายก็ได้ วันนี้ไปใส่บาทพระอาจารย์แล้วไปนั่งสมาธิเรียนกราบถามว่าข้อที่หนึ่งครับขณะนั่งสมาธิไปจะเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นทา ง, นางที่อยู่แอร์เป็นบ่อยๆเป็นบ่อยมากๆเกิดจากเราสู้กับกิเลสหรือเปล่าครับก็ส่วนหนึ่งถ้าเวลาเราอยู่ในท่าท่านั่งสมาธินี่เป็นท่าที่มักจะทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะนั่งแล้วมันจะเนะื้อจะแตกกันอันนี้เป็นปกติ ที่สองครับขนาดนั่งสมาธิสองชั่วโมงสามารถเกิดคณิกะสมาธิได้บ่อยๆเกินสองครั้งได้ใช่ไหมครับพอ ร, รู้สึกตกหลุมตกบ่อบ่อยมากครับได้คณิกะมันเกิดปุ๊บแล้วมันหายไปแล้วเดี๋ยวเรามีสติมันก็กลับมาใหม่ได้ถ้าเห็นพระที่ไม่สํารวมหรือทําไม่ถูกต้องเราพูดวิจารณ์กับเพื่อนอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปครับรถ้าเราพูดความเป็นจริง ถ้าเราไม่ยึดติดกับสังขารนี้เจ็บป่วยไม่อยากรักษาปล่อยตามธรรมชาติอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปตอนที่เราทำงานกำลังปฏิบัติงานเราสามารถกาหนดรู้โดยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนการพุดโทโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเราสามารถดูการการกระทำของางานกาย กำ น, ำน้ำหนํากน้ำก็ดูกับก้ารหนักน้ําใไปําน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวไปอันนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติอีกแบบหนึง่งขณะนั่งสมาธิมีเสียงดังเกิดขึ้นใกล้ตัวจากสะดุง้งต้องทําจิตอย่างไรต่อไปครับกอกรรมอาทิพุโทโธกรรมอาทิกรรมฐ า, านที่เราใช้ผูกใจไว้อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นพวกมันก็ผ่านไปแล้วก็ยึงสติกับมา ให้กรรมาผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่ในขณนะนั้นนั่งภาวนาโดยการนับเลขหนึ่งถึงร้อยแต่รู้สึกมันเพิินกับการนับเลขอันนี้มันผิดทางไหมครับก็ดูที่ผลว่ามันทำให้ใจเราสงบได้หรือไม่ใจเราหายฟุ้งซ่านได้หรือไม่ถ้าไดก้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนอาจจะเป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งก็ได้สาหรับคนบางคน โยมมีเวทนาทางกายค่อนข้างมากจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวปวดตาและเป็นภูมิแพ้ทําให้หายใจไม่ค่อยออกเวลานั่งสมาธิควรกําหนดจิตเช่นไรโยมถึงจะก้าวคามเวทนาต่างๆทางกายได้ครับถ้าเจะเวทนาก็ใช้การบริกรรมหรือใช้การสวดวนไปจะดีกว่าถ้าดูรวมแล้วมันจะสติมันจะไม่ค่อยมีกําลังสู้กับเวทนาได้ถ้ามันเวทนา คือเป้าหมายก็คือเราพยายามนึงใจอย่าให้มันไปคิดถึงเวทนาให้มันเป็นเวทนาไปให้มันอยู่กับการสวดบนไปหรืออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไปงั้นถ้าใจไม่ไปคิดถึงเวทนาใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ทุกกับเวทนาเวทนาไม่หายหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไม่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าใจเราหายทุกข์หรือไม่ เพื่อนเคยฝากซองทำบุญแต่ไม่ได้เอาไปทำบุญครับเก็บจนลืมและท้ายที่สุดแกะซองเอาออกมาใช้จ่ายรบกวนพระอาจารย์แนะนําให้ได้ไหมครับว่าทํายังไงถึงจะชดเชยและทดแทนเงินส่วนที่เพื่อนเคยทําเคยมาทําบุญฝากไว้ครับก็เคยเข้าไปสลติดต่อเขาบอกว่าลืมเอาไปทําบุญแล้วพอดีปไปมาดูว่าดีมีงินก็เลยเอาไปใช้ก่อนขอยืมก่อนก็พูดสารภาพบาปไปก็แล้วกันก็จบ จะทำบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วครับท่านจะได้รับไหมครับก็อยู่ที่สถานภาพของจิตของท่านว่าท่านอยู่ในสถานภาพใดมีสถานภาพเดียวที่จะรอรับบุญก็คือที่เรียกว่ายวงวิญญาณที่เป็นเปรตเปรตก็คือผู้ที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญทำแต่บาปด้วยความโลภพอตายไปก็จะไปรับผลบาปด้วยการไปเป็นเปรตพวกนี้จะมารอรับส่วนบุญ แต่ถ้าท่านตายไปแล้วท่านินเป็นเทวดาเพราะตอยขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านทาบุญไว้มากอย่างนี้ไม่ใานก็นังให้เราเรารับบุญจากเราแต่ถ้าท่านทราบว่าเราได้ส่งบุญไป้ท่านท่านก็จะขออนุมโมทนาเทศาการเข้าพรรษาการถือศีลห้าที่บ้านควรเริ่มจากทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์ทําสมาธิควรปฏิบัติวันละสามเวลาหรือปฏบิบัติอย่างไรดีครับขอคําแนะนําำอาจารย์ครับ ก็แล้วแต่เราจะต้องการจะทําเราสามารถกําหนดได้เช่นเราถือศีลห้าทั้งวันทั้งวันทั้งคืนยกอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าถือศีลห้าต้องถือไปตลอดเวลาแล้วก็ส่วนเวลาทําวัดเช้าเยน็นส่วนม น, นั่งสมาธินี้ก็แล้วแต่เราจะกําหนดขึ้นมาตามความสะดวกตามความต้องการของเราจะนั่งกี่ครั้งกี่รอบก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่มีข้อห้าม ลูกขออนุญาตถามลูกฝันเห็นหลวงตามาหาบัวแล้วท่านก็เอามือมาแตะตรงหน้าผากของลูกแล้วท่านบอกว่าให้ลูกเรียกท่านว่าหลวงปู่แล้วลูกจะเรียกท่านว่าอย่างไรดีแต่ทุกวันนี้ลูกสวดมนต์ภานาก็เรียกท่านว่าหลวงปู่ครับขอบความกรุณาพระอาจารย์ด้วยครับก็เป็นเรื่องของเราเราจะเรียกท่านอย่างไรก็ได้มีคนบอกไปทําบุญใส่บาตรแล้วเอาบุญมาฝากจะได้บุญจะเขาไหมครับ ไม่ได้แร้วบุญกายบุญมันค่พระสงฆ์ที่ได้รับเลื่อนชั้นยศพอได้รับพัยดยศแล้วก็มาจัดงานฉลองพัยดยศอันนี้สมควรหรือไม่ครับก็บางทีท่านไม่ได้จัดเองญาติโยมที่เคารพนับถือท่านก็จัดให้ท่านก็ยึดขึ้นอยู่กับว่า ถ, ถ้าท่านจัดเองก็แสดงว่าท่านยังหลงอยู่ท่านยังอินดีกับการได้รับบุสารเสื่ออยู่ แต่ถ้าน่านเฉยๆแต่ญาตโยมรอบข้างนี้อดทนทนไม่ไหวต้องมาแสดงบุญนิตาจิตจัดงานทำบุญทําทานเปิดนองทานอะไรนี้ก็ไปห้ามเขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาญาตโยมแต่ตัวของพระนี่ถ้ารู้จักว่าราชวุิสารสนสูงนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่เป็นไม่ควรจะฉลองควรจะควรจะรกวาดกลัวเสียมากกว่าเพราะวันหนึ่งมันจะต้องสูญไปมันจะต้องเสื่อมไป อย่างอย่า ง, ลงหลวงพ่อพุทธทาสเคยได้ยินว่าวันเกิดท่านนั้นท่านฉลองด้วยการท่านไม่ถ่านโอนอาหารตัดปัญหาให้กับญาติโยมที่มาทําบุญฉลองนั้นวันนั้นท่านไม่ฉช่อาหารมันเป็นความเพียลครับได้เห็นจิตอาสาเข้าไปดูแลพระสงฆ์ด้วยมีความประสงค์แอบแฝงกับพระสงฆ์อย่างนี้ควรจะทําอย่างไรครับ เนเรื่องของเขาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าตัวเราอยู่กับอีกคนที่รักเรามา ก, มากๆให้ทุกอย่างแต่ใจเราไม่รักเขาเลยแต่กลับรักอีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้บาปไหมครับถ้าเป็นเรื่องของทางใจอย่างเดียวยังไม่บาปแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมเช่นถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเป็นสามีของเราหรืภรรยาของเราแล้วเราไปเน่าใจไปมีม ไม่มีอะไรกับคนอื่นนี่มันถึงจะเป็นการากับบาปแต่การคิดแบบนี้ก็ไม่ควรคิดควรจะตัดความ ค, าคิดแบบนี้ไปเพราะความคิดแบบนี้มันจะยังให้เราไปสู่การกระทําบาปต่อไปได้พระสงฆ์อันนี้ถามไปแล้วครับอาจารย์ไม่อยากทุกข์ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไรครับก็มีสองวิธีอย่างที่บอก อย่าไปคิดถึงมันใช้กรรมบารมกรรพุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้หรือสวนบนไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะเลิมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจได้อันนี้เป็นวิธีแก้แบบชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเผลอกลับไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ต้องให้มันหายไปหมดก็ต้องค้นหา สาเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากให้เป็ น, น, นอ ย, า in, อยา่าง น, นัน้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากจะได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เป็นต้นเราต้องค้นหาสาเหตุให้เจอแล้วเราก็เป็นละสาเหตุนัน้นด้วยการให้มองเขาว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงถึงแม้จะได้มาเราอาจจะได้ความสุขจากมันชั่วครั้งชั่วคราวแล้เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ก ก็คือเราจะต้องการเลิกตัดเราต้องการตัดความอยา ก, ากต่างๆที่สร้างความทุกข์ขุใจให้เกิดขึ้นนี้ไปเปลี่ยนกราบถามพระอาจารย์ครับภัยรอบตัวของเราในทางพุทธศาสนาคืออะไรครับภัยที่น้อยที่สุดก็คือกิเลสควาโลกความโกรธความหลงไอ้ตอนนี้ที่มันภัยเรามันต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าตายเกิดแบบนั่นไม่ทวน น้ำตาที่เราหลังงนี้แต่แต่ระภพแต่ลชาติถ้าเรามารวมรวมกันว่าน้ำนี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรมันไม่มีภายในที่มันน้อยกว่าเท่ากับกิเลสตัณหาที่มีในใจของเราขอเรียนถามปัญหาอีกข้อนะครับ เวลาจิตคิดไม่ดีคิดชั่วบางครั้งเกิดจิตปรามาตรพระรัตนตรยัยจนําให้เกิดความทุกข์ใจควรกําหนดจิตเช่นไรหากคิดทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดียึดมั่นในความคิดครับพยายามหยุดความคิดด้วยการบริกรมกรมใช้คำบริกรรมพุโทโธธรรมโมสังโฆหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราลืมเรื่องที่เราคิดไปให้ได้ ใช้ที่นั่งแก้ปวดหลังขณะนั่งสมาธิได้ไหมครับได้การนั่งสมาธิต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้บุญจริงๆครับมันไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่สติถ้ามีสตินั่งบป๊นเดียวจิตสงบ ก, ก็ได้บุญทันทีถ้าไม่มีสตินั่งไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่สงบมันก็ไม่ได้บุญนันอยู่ที่สติเป็นตัวสําคัญ คุณอนงนาถบอกว่าชีวิตลูกตอนนี้เหนื่อยมากสับสนจะสู้หรือถอยดีครับถ้าไม่รู้ก็อยู่เฉยๆไปก่อนะรักษาสถานภาพที่เรามีอยู่ขนาดนี้ไปก่อนไม่ต้องสู้ไม่ต้องถอยแล้วก็พยายามฝึกจิตทำจิตให้สงบให้เน้นก่อนแล้วพอจิตสงบให้เน้นแล้วจะมีอารมณ์ดีแล้วจะสามารถมองมองสิ่งต่างๆใน mm hmm. ในมุมมองที่ดีที่ถูกต้องได้ ใส่บาตรพระบินทบาทเช้าขนาดตักข้าวใส่บาตรท่องบทแผ่เมตตาตัวเองดีหรือไม่ครับก็แล้วแต่เราทำได้ไม่นไใครข้าไม่มีข้อห้ามทางติ k t o k ไลฟ์หลุดไปนะครับเขาตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเข้ามาใหม่นะครับอัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานต่างกันอย่างไรครับ เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าสมาธิกับฌานนี่ก็เป็นความหมายเดียวกันคือความสงบของจิตเพแต่คําว่าสมาธินี่เป็นคารวมจิตสงบเนี่แต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ความสงบความสงบในร ะ, ะดับไหนแต่ถ้าเป็นฌานนี่ก็จะแบ่งเป็นระดับระดับเหมือนกับเหมือนกับอาคารเนี่ยที่ก็แบ่งเป็นชั้นชันเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแต่ถ้าเราพูดถึงตัวอาคารอย่างเดียวโดยที่ไม่ระบุ ถ, ถึงชั้นนี่ก็เหมือนกับเราพูดถึงสมาธิ มาที่คือความสงบของใจแต่จะไม่ว่าสงบในระดับไหนแล้วที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งก็ต้องระบุขึ้นมาเขาก็เรียกวช า, านเป็นชั้นๆไปใส่บาตรพระบินทบาตรตอนเช้าขณะตักข้าวใส่ออนิถามแล้วจิตของเราถ้าเข้มแข็งแล้วเมื่อพบความทุกข์ความไม่ชอบใจไม่ถูกใจ มีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเข้มแข็งแล้วครับเราเฉยๆกับอะไงเห็นอะไรก็เฉยๆใครด่าเราก็เฉยๆใครชมเราก็เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มากระทบกับใจเราจิตใจของพระอรหันต์เป็นยังไงครับก็เป็นจิตใจที่ไม่มีความโลภโกรธหงไม่มีความอยากต่างๆ เพื่อนๆที่ชมทาง t ิ k t o อกนะครับเมื่อกี้คำถามที่ส่งมามันตัดไลค์ไปนะครับก็เลยต้องถามเข้ามาใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหยุดคิดมีวิธีรัดหยุดเร็วๆทำยังไงครับก็ น, นี่หละทำบริกรรมเนี่ยเร็วที่สุดพุดโทโธพุโทโธไปลูกนอนฝันถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับ ทุคืนอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับและจะต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับเราคิดถึงเขาเนี่ยมันก็เลยฝันไม่ถึงครับเพราะความหวังก็คือความคิดของเราเนี่ไม่ต้องทำอะไรถ้าอยากจะให้เขาได้บุญเพราะเราคิดว่าเขาอาจจะมารอรับส่วนบุญก็ทาบุญอุทิศไปให้กับเขาไปภาวนาพุโทโธแล้วเบาว่างแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับ ให้มันห้มันว่างให้มันเบาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่สุขก็จะแสดงว่ายังไม่ว่างเต็มที่ยังไม่สงบเต็มที่ให้มันเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวกเป็นความสุขที่มาจาสาจันใจหากเรารับกรรมไปแล้วในชาตินี้นะครับไม่ทราบว่าชาติหน้าเกิดมาอีกเราต้องมารับกรรมตัวเดิมอีกไหมครับไม่มันก็หมดไปกรรมในที่ มันแสดงผลแล้วมันก็หมดไปทําไมเวลาหายใจเข้าลึกๆเพียงครั้งสองครั้งก็เย็นขนลุกทั้งตัวครับเป็นเพราะอะไรครับก็มันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีความจำเป็นที่เราต้องรู้มันทําไมนะให้รู้วมันเป็นอย่างนั้นก็พอให้รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปแล้วควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ ชอบไปวัดครับอยากอยู่วัดนานๆแต่คนพาไปชอบกลับเร็วอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้เขาจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปเราพระเคยมายืมเงินครับเพื่อไปช่วยผู้อื่นพอถึงเวลาเราทวงถามบาปไหมครับเราจะแก้ไข ย, ยังไงครับเป็นกังวลครับเพราเราไม่บาปรเราทวงง่ายท่านก็เป็นล่กหนี้ของเรา ถ้าอาจจะบาปที่ท่านไม่ไม่ใช้นี่เรา ก, การละอุปทานขันคือต้องปฏิบัติทานศีลสมาธิและปัญญาใช่ไหมครับมันก็เป็นสูตรที่จะช่วยทําให้เราสามารถละได้เาะตัวที่จะลได้นั่นก็นคือตัวปัญญาตัวปัญญาก็ต้องอาศัยการมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนในการจะมีสมาธินั่นก็ต้องมีการรักษาศี และการจรักษาศีลน่ลกน า, ลาก็ต้องมีการทําบุญทําทานเป็นผู้สนับสนุนเพรามันก็มาเป็นเหมือนกับเป็นขั้นบันไดเป็นเป็นเป็นธรรมที่เกื้อหนุนกันทานจะเกื้อหนุนให้เกิดสมาสีนศีลจะเกื้อหนุนให้เกิดสมาธิสมาธิจะเกื้อหนุนให้ปัญญาสามารถละกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ปีชงเขาบอกว่าอย่าไปงานศพ จะซวยไปสามปีอย่างนี้จริงไหมครับอันนี้ทางพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงการภาวนาคือการเพ่งการจี้ไปที่จุดเดียวใช่ไหมครับคือความหมายขงการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจพัฒนาอยู่สองขั้นในการขั้นแรกพัฒนาจิตใจให้สงบนี่ครับ มธมธภาวนาขั้นที่สองคือพัฒนาจิตใจให้ให้มีความรู้ความฉลาดเรียกว่าวิปัสนาภาวนาบารมีแบบไหนที่สําคัญที่สุดและเป็นบารมีที่มีค่ามากที่สุดครับต้องเริ่มต้นด้วยเมตตาบารมีก่อนเป็นพื้นฐานเหมือนกับเวลาที่เราก่อสร้างบ้านเนี่ยเราต้องตอกเสาเข็มก่อนทําฐานรองรับน้ําหนักของเสาให้ได้ให้ให้มั่นคงก่อน ถเราถึงจะขึ้นเสาได้ขึ้นบา ร, รมอีอย่างอื่นได้เห็นถ้าเรามีเมตตาบมา ร, รมีนี่เราก็จะมีความมีความเมตตา ม, มีความรักคนทุกคนเวลาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาถ้าใครเหนือน่อยดอนยินดีอยากจะให้ความสุ ข, ขกับผู้ก็จะทําให้เราทําทําทานบา ร, รมีต่อได้พอเราทําทานบา ร, รมีได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่อยากจะเบียดเบียนใครอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นมีความสุข เราก็จะรักษาศีลมารมีได้มันเป็นมันเป็นธรรม ท, ที่สนับสนุนกันเหมือนกับที่เมื่อเียพูดถึงทานศีลภาวนาอันนี้ก็เหมือนกันมารมีก็เหมือนกันแต่พื้นฐานของมารมีก็คือเมตตาบารมีก่อนมารมีคือเมตตาธรรมคาจุนำำนอกเนี่ยคือคําพูดแล้เราจะอยู่กันได้อย่างร่วมกันเป็นสุขเพราะเรามีเมตตา นอนทำสมาธิแล้วหลับไปเลยครับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่ไม่ได้สมาธิเวลานั่งสมาธิมีการปวดเมื่อยขาครับควรจะขยับหรืออดทนนิ่งไว้ครับถ้าเราอยากจะให้จิตเราสงบก็ต้องอดทนอย่าไปสนใจกับอาการของร่างกายพยายามผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานให้ได้ไเรื่อยๆ แ, แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ โยมไปวัดหลังถวายอาหารแล้วส่วนมากพระท่านจะถามเรื่องครอบครัวเป็นส่วนมากบางครั้งนานมากโยมก็ไม่อยากจะตอบคิดว่าทำไมท่านไม่ให้ธรรมะอย่างนี้โยมบาปไหมครับไม่บาปหรอถ้าเราฝันเห็นวิมานตัวเองบนสวรรค์อย่างนี้ถือว่าเป็นรางที่ดีใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันเราบุญเมาทำบุญมามากเาทำให้เราฝันดี วิญญาณมีจริงไหมครับวิญญาณก็คือจิตใจของเราที่ตอนนี้อยู่กับร่างกายของเราเนี่ยพอไม่มีร่างกายจิตใจเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณวิญญาณไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายวิญญาณอยู่ในโลกทิพอยู่อีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งแต่สามารถเชื่อมต่อกับร่างกายได้ผ่านกระแสของของวิญญาณของจิตแล้วใช้กระแสนี้เป็นผู้สั่งการให้จิตให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ แล้วเขารับข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูจะมูกเนื้องายกลับไปที่ใจการระลึกมารณ า, านุสติในชีวิตประจําวันเช่นกินข้าวก็ระลึกว่าข้าวแต่ละคําก็อาจจะติดคอทําให้ตายได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ได้เทํำไงก็ได้ให้เราไม่ให้ลืมความตายให้เรารู้ว่าความตายนี้เราอยู่แล้จะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ เพราะนันเราอย่าประมาทเราเรียกกระทำอะไรที่เรคนอยากจะทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถทํามานได้ต่อไปคุณนา้านั่งสมาธิทุกวันนะ้าชอบบอกว่าถ้าตีห้าแล้วนะ้ายังไม่ออกจากสมาธิให้หนูไปเรียกอย่างนี้ถ้านหนูไปเรียกนี่บาปไหมครับไม่บาปเพราะท่านบอกอย่างนี้นเราก็ทําตามที่ท่านบอก คิดถึงคนที่จากไปครับร้องไห้ทุกวันครับทําสมาธิก็ไม่หายทําอย่างไรดีครับอาจารย์ใช้คำ บ, บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่เราคิดแล้วทาให้เราเศร้าพอาเศร้ากพ็พุทธโธพุทธโธพุทโธไปพอเราไม่ได้คิดถึงเท่าความเศร้าก็จะหายไปผมฝึกสมาธิบริกรรมพุทโธสลับกับดูลมบ้างแต่จิตเหมือนไม่เข้าถึงผวัง บางทีหนึ่งสองชั่วโมงความรู้สึกเหมือนกับรู้สึกตัวตลอดไม่ได้ไปวูบนิดนิ่งเหมือนที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิแบบนี้ผมมาถูกทางหรือเปล่าครับมาถูกทางแต่สติเรายังไม่ต่อเ น, นื่องยังขาดตอนอยู่ต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่เราจะมาั่้การขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อขอโหสิกรรมแก่กันควรพูดอย่างไรดีครับ เราก็ต้องมีเราต้องไปหาเจ้า ก, กรรมในเวรให้เจอก่อนเห็นถ้าเราไปคู่กรณีเราก็ไปพูดกับเขา ว, ว่ขออภัยนะถ้าผมก็ทําอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทําให้คุณเสียหายก็ขอขอโทษด้วยขอให้ขอให้เขาอาภัยขอให้คุณช่วยอภัยเราด้วยแต่ส่วนเขาจะให้อภัยเราหรือไม่นี่เราไปบังคับขอไม่ได้ถ้าก็เป็นคดีความกับเราเขาฟ้องเรา่สิบล้านนี้แล้วเราไปขอขอคำมาให้เขายกโทษให้กับเรานี้ ก็ยึดแล้วแต่เขาว่าก็จะยกให้ราขึาน้นม่สิบล้านไม่ใช่เป็นงเงินน้อยๆถ้าตายแล้วไม่อยากจะเกิดจะต้องทำอย่างไรครับตัดความอยากสามตัวนี้ให้หมดไปจากใจความตัณหาเพราะว่นนาตัณหาวิภาวตัณหาความอยากเสพการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ปวดหัวไมเกรนมายี่สิบปีครับทําสมาธิช่วยเวลาปวดแต่มีบางครั้งปวดแบบทุกข์ทรมานฝึกใจให้ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ใช่เราแต่บางครั้งสติหลุดร้องไห้น้ําตาไหลเพราะความปวดถ้าเป็นแบบนี้ควรคิดแบบไหนต่อครับก็ยอมรับความจริงครัมันต้องเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราอย่าไปอย่าไปต่อต้านยอมหยุดเย็นดีกว่ายอมรับกรรมไป แล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสะงบทำบุญให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วปีละหนึ่งครั้งน้อยไปไหมครับไม่เคยใส่บาทเลยครับก็สุดแท้แต่เราแล้วก็สุดแท้แต่ว่าพ่อแม่อยู่ในสานภาพที่เรารับอยู่หรือเปล่าสามีมีเมียน้อยแต่เราไม่โกรธไม่เกลียดเขากลับรักษาใจเร า, เราปล่อยเขาไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่เรารักษาได้ก็คือใจของเราส่วนคนอื่นที่เรารักษาก็ไม่ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เขาจะไปเมื่อไหล่เขาเข า, เขาก็จะไปตอนใส่บาตรพระเราตักข้าวใส่สามช้อนแต่มีคนใส่แบบคว่าขันทีเดียวเลยแต่มีคนบอกว่าห้ามคว่ำขันจะไม่ดีขอพระอาจารย์เตือนาด้วยครับ เอาเนเรื่องของความสวยงามเรื่องของอะไรไา้ธรรมดาตัดก็ต้องตัดเป็นช้อนช้อนแต่บางกรณีมาสายเน้อผ้าทันยกรรวัดแล้วถ้าไม่ตักทีจะช้านมันนี้อาจจะใช้เวลานานก็ความถ้าเท่านี้อยกบอกเทลไปเลยเทลไปได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมไม่เกี่ยวกับความเรื่องมงคลแล้วไม่เป็นมงคลไม่เกี่ยวกันเปิดฝาถังขยะที่มีตัวหนอนมากมายถังขยะเปียกนะครับ และมีไก่หรือนกมาจิกกินอย่างนี้เราบาปไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนาเพ ไ, ไม่บาปเพราะรู้ว่ามีไก่ไม่อะไรมาเราก็ปิดฟ้าเหมือนเดิมไปอย่าให้ไก่มาเนื้อวัวจิกกินออกจากสมาธิแล้วสัญญาไม่ทํางานครับจําอะไรไม่ค่อยได้เลยอย่างนี้ผมทํามาผิดไหมครับไม่ผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติของสัญญาสำหรับคนบางคนก็ได้สัญญาก็อนินจจา บางทีก็จําได้บานทีก็จำไม่ได้จากหนุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับใส่บาป ท, ทุกวันแต่ไม่ได้ไปวัดเลยไปแต่เข้าพรรษาออกพรรษาตุดศาสเท่านั้นวันสําคัญของาศาสนาวันวิสาขามาฆาเท่านั้นอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้น้อยถ้าได้มากก็ไปไ ป, ไปบ่อยกว่า น, นี้ไปทุกอาทิตย์ก็ได้ทุกวันพางก็ไปวัดทีแล้วไปอยู่ครั้งเคยวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่วัดฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิไป อันนี้ก็จะได้บุญมากเวลาทำบุญแบบฝากปิ่นโตไปกับคนอื่นเช่นวันพระญาติที่ร่วงลับไปแล้วจะได้รับไหมครับและตัวเราจะได้รับบุญด้วยไหมครับได้เวลานั่งสมาธิสักพักรู้สึกราคาญที่ท้องอึดอัดเหมือนหายใจไม่ได้แก้ไขยอย่างไรดีครับไม่ก้าวหน้าไปเลยครับ อย่าไปสนใจให้กลับมาที่บริกรรมทำบริกรรมถ้าเราต้องการรับอุปทานขันเราต้องปฏิบัติทานศีลปัญญาถูกต้องไหมครับถูกต้องศีลสมาีิปัญญาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราลนะอุปทานในขันั้างนั้นได้ กาบเรียนผ้าจารย์ครับได้ฟังพระกล่าวอย่าอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรแต่ควรใช้คําว่าคู่เวรคู่กรรมเลยสงสัยไม่ทราบว่าจะใช้คําอุทิศไหนที่ถูกต้องครับมับจริงอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วต้องรู้ว่าเขาอยู่ในสถาภาพที่เขารับได้หรือเปล่าถ้าก็เป็นเปรเขาก็จะรอับได้อยู่แต่ถ้าก็ไม่เป็นเปรกเช่นเขาก็เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้เขากำลังฟ้องร้องเราขึ้นชันขึ้นลงอยู่เนี่ย เรากพต้องไปคุยพูดใจใจพูดจาใจจ า, จ า, จากับเขาขอขออภัยจากเขาแต่ส่วนเขาจะให้เราหรือม่ก็เป็รื่องของเขาอีกทีหนึง่งการบุญทีบุญนี้ส่วนใหญ่บุญทให้กับผู้ที่ไปเป็นเปรตนั้นผู้ที่มารอรับส่วนบุญเป็นอุบาสิกาสอนหนังสือสามมณเนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต้องวางตัวระดับไหนถึงจะไม่ทำให้เนนเป็นอาบัติครับ ก็เราต้องแยกแยะสองสองอย่างในฐานะที่เราเป็นครูแล้วก็เราก็ทําแล้วก็ทําเป็นครูสอนไปตามตามเหตุตามผลของเราอในฐานะที่เราเป็นคาราวาสเราก็ยังต้องมีการเคารพนักบวชอยู่เวลาที่เรามีปฏิสันฐาน ม, มีอะไรเราก็ต้องใช้ใ ช, ใช้ใช้เรื่องของการเป็นพระของของการเป็นคาราวาสม า, ม า, มาใช้ในเวลาสอนหนังสือก็สอนไปตามตามบท บทเรียนนี้ก็สอนไปตามทำเรื่องขอวิธีทำจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบหรือรเผชิญอยู่ในการทำงานกับการใช้ชีวิตครับก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานี่แหละที่จะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆได้พยายามฝึกสติ บ, บ่อยๆให้ใจเน้นให้ใจสงบแล้วใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งไุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้เสมอไปถ้าจะเกิดก็ต้องยองมรับมันไปไปให้มันเกิดเราก็จะไม่หวันว่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นถ้าปลวกขึ้นบ้านเราต้องกำจัดจะมีวิธีจัดการอย่างไรไม่ให้เป็นบาปครับก็มีคนข้มามอาสามาทําแทนเราเไงบริษัทกำจัดปลวกแล้วก็ไปแจ้งบอกขอเขาท่านั้นเองเรยังไปสั่งเขามาให้มามากำจัดนะต้องมีโวหาร ว่าก็คือเราก็ไปแจ้งความอนไปแจ้ง ja ว่าอที่ réussi, บ argent, ้านมีป่วกไม่รู้จะทํายังไงดีเขาก็อกว่าผมจะมา um, PAR จัดการให้เองอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่สั่งเขาอย่าไปสามารถช่วยมากําจัดป่วกให้หน่อยนะอย่างนี้เราบาปด้วยแต่ถ้าเราไปไปปรึกษาเขาบอว่าที่บ้านมีป่วกไม่รู้จะทํายังไงดีอย่างนี้ไม่บาปแล้วถ้าเขาเอาสารมาทําเองอันนี้ไม่บาปเราไม่บาปแต่เขาบาป แต่เขายินมีที่จะทำเพราะเป็นอาชีพของเขาเพื่อนร่วมงานพยายามแย่งชิงแบ่งผะบักหักแบ่งฝ่งายย่วยยุให้โมโ ห, โหเจอ บ, บ่อยๆเราควรจะรักษาใจของเราอย่างไรครับเฉยๆไปไม่ต้องไป ท, ทาตามที่เขาไม่ต้องไปสนใจเขาจะพูดก็จะทำาัไงก็เรื่องของเขาไปขอทราบวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องครับ ก็วิธีกดน้ําที่ถูกต้องคือไม่ต้องใช้น้ําก็ได้คือการกดน้ําก็คือการอุทิศบุญที่เราได้ทําไังนั้นการอุทิศบุญนี้เราใช้ใจเป็นเป็นผู้อุทิศเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วเกิดความสุขใจใจขึ้นมาแล้วก็ขอมสม่งความสุขใจใจนี้ให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับไปด้วยการลึกภายในใจว่าเขาอุทิศส่วนบุญอันนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่รองรับไปแล้วท่านนี้ยก็เสร็จแล้ว สภาวะที่เห็นทุกกลางอกและเห็นทุกขึ้นเรื่อยๆคือสภาวะอะไรครับสภาวะที่เห็นนั่นเองจะเป็นเห็นยังไงเห็นว่าทุกก็รู้ว่าทุกนี่จะทำยังไงต่อไปนะั้นกับความทุกขนะ์นั้นทาใจให้เฉยๆกับความทุกข์นั้นได้หรือเปล่านั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเข้าใกล้ความเป็นพระโสดาบันแล้วครับ เราก็ไม่ยึดติดร่างกายน้อยลงไปเรื่อยนั่งกายจะเป็นยังไงเราก็ไม่ค่อยวุ่นวายไม่ปไม ป, ว, ไ ป, ว, ไป ว, วิตกกังวลกับมันโยมบวชชีพราหมณ์ทุกเดือนแต่โยมต้องเจออาจารย์สอนกรรมฐานที่ชอบนินทาคนในวัดและถ้าโยมรับศีลแปดแล้วมาทําที่บ้านเลยได้ไหมครับได้เรจะรักษาศิลที่ไหนตอนที่ไหนก็ได้มันเสร็จของเรา ถ้าเราต้องการละอุปทานขังเราต้องปฏิบัติอ้อนิมันธามไปแล้วครับทุกครั้งที่สวดมนต์และนั่งสมาธิจําเป็นต้องอุทิศบุญทุกครั้งไหมครับไม่จําเป็นและอาจจะอุทิศไม่ได้เลยเพราะไม่มีการสอนว่าเราจะสามารถเอาบุญที่เราได้าจากการนั่งสมาธิไปอุทิศได้ไม่ทำนาเป็นสอนแต่ให้ทําบุญทําทานเป็นวิธีอุทิศบุญเท่านั้นเอง แก้ไขาบาปอย่างไรได้บ้างครับที่เจตนาทําให้นกหรือไก่จิกกินตัวหนอนในถังขยะครับตอนนั้นทําบาปเป็นครั้งแรกครับไม่บาปไลยเพราะเราไม่มีเจตนาไม่ต้องไปแก้ถ้ามีเจตนาก็แก้ไม่ได้ก็ต้องรับผลต่อไปในอะนาะคตตอนที่เราอยู่ในภพเดรฉานเรามีความรู้สึกตัวเหมือนเราเป็นมนุษย์ไหมครับเหมือนกันในแด่วความเออ ความรู้สึกมันจะต่างกันถ้าเป็นมนุษย์นี้มักจะมักจะกลัวบาปไม่กล้าทำบาปแต่ถ้าเป็นสัตว์เดี้ยงช้างก็จะทำบาปโดยโดยไม่ก็มีความรู้สึกเก่งกลัวทุกครั้งที่สวดมนต์และนั่งสมาธออินี่มันถามแล้ว ลูกน้องทำงานไม่ดีให้เวลาแล้วแต่ยังพัฒนาไม่ได้จนเราคิดว่าจะไม่ต่อสัญญาอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอถ้าเราไล่นกวิราบที่ชอบมาเกาะที่บ้านเราอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปวันนี้เห็นนกอยู่ที่เครือกล้วยแล้วเราตัดกล้วยลงมามีไข่นกตกลงมาสองฟองอย่างนี้บาปไหมครับ ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่มาเวลานั่งแล้วจิตนิ่งแล้วเห็นภาพว่าได้ไปดูนรกเป็นเพราะอะไรครับยังไม่นิ่งถ้าจิตนิ่งมันจะว่างถ้ายังเห็นภาพอยู่ก็กลับมาที่กรรมเวกรรมแล้วกลับมาที่กรรมฐ า, านต่อไปอย่าไปตามเห็นภาพเหล่า น, นั้น คนที่เราดีกับเขาแต่ยังไงเขาก็ไม่ชอบเรามีคนบอกให้แผ่เมตตาให้เขาแล้วจะดีขึ้นจริงไหมครับก็การแสดงความยินดีก็เป็นการแผ่เมตตายอยู่แล้วชวนเขาจะมีความรู้สึกอะไรกับเรานี่เราไปเปลี่ยนแปลงไปบังคับเขาไม่ได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วปัญญาที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ มียการใจสัน่นคิดว่าตนเองใกล้จะตายแล้วจิตเศร้าหมองตายไปอย่างนี้ตกนรกไหมครับจะไปตกนรกหรือไม่อยู่ที่บุญที่บาปเราทําว่าไหนนี่มากกว่ากันถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็สามารถไปตกนรกได้แต่ถ้าบุญมากกว่า บ, บาปเราก็จะไปสวรรค์แทนไม่ได้อยู่ที่การตายว่าตายแบบไหนอย่างไรนั่งสมาธิกลืนน้ําลายไม่ได้ใช่ไหมครับ ถ้าคืนมันก็จะทำให้เรามันก็ไม่ได้ปล่อยวางร่างกายใจก็จะไปสงบไม่ได้เราใช้ใจสงบใจต้องปล่อยแล้วาวางร่างกายไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายมีงูอยู่ในโถส้วมไม่ยอมออกมาเป็นเดือนๆแล้วแฟนเอาสารเคมีใส่ในโถต่อมางูมาเข้าฝันกับลูก ให้เอาเขาออกมาลูกสาวบอกว่าเอาออกมาไม่ได้ทุกบ้านเสียหายอย่างนี้ควรทําอย่างไรดีครับทำอะไรไม่ได้ก็วางเฉยไปนะถ้ามันไม่อยู่ในความสามารถของเราก็วางเฉยทําใจวางเฉยไปกรรมที่ทําในช่วงวัยเด็กครับอายุประมาณหนึ่งถึงสองขวบทําโดยไม่รู้เรื่องไม่มีเจตนาแบบนี้บาปมากไหมครับไม่บาป การที่เราได้นักการเมืองไม่ดีเป็นเพราะคนไม่ดีหรือว่าชาติบ้านเมืองกําลังเจอวิบากกรรมครับว่าใครเป็นคนเลือกนะคนเลือกเนี่ยไม่เขาว่ามันอยู่ที่คนเลือกนะถ้าคนคนเลือกฉลาดก็จะเลือกคนดีเข้ามาถ้าคนเลือกไม่ฉลาดก็จะเลือกคนไม่ดีเข้ามาคือคนถูกเขาหลอกไงเขามาโฆษณาว่าเขาจะทําอย่างนี้นทําอย่างนี้แล้วก็ให้สินบนเราเราก็ไปเลือกเขาอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ฉลาด ล้วไม่ศึกษาดูประวัติของเขาแล้วไม่ดูความประพฤติของเขาว่าเขาเป็นยังไงเมื่อก่อนเวลาคนเข้ามาทำ ง, งานกับเราอย่า ง, งเราต้องคอยตรวจประวัติดูเลยว่าเคยติดคุกมาหรือเปล่าเคยทําผิดมาหรือเปล่าจบการศึกษาจากที่ไหนแต่เวลาเราเลือกนักกัรเมยองเข้าไปนี้เราถ้าจะไม่รู้จักเขาเลยเขาบอกให้รเบอร์ออนี้ก็เรียกกันไปตามเบอร์ ทั้งที่ผมเคารพนับถือพระรัตนตรยัยแต่จิตกลับปรามาสพระพุทธเจ้าครูอาจารย์เพราะอะไรครับแล้วจะต้องแก้อย่างไรครับก็หยุดสิเวลาปรามาให้ใช้สติใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วก็สอนใจว่าเราเป็นใครเราถึงจะไปปรามาสพระพุทธเจ้าได้เราเก่งของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ฝึกมานานแล้วยามปกติจิตตั้งมั่นดีแต่พอล้มป่วยจิตจะแสสายร้อนรุ่มในอกด้วยฤทธิยาภาวนาเอาไม่อยู่กราบียนพระอาจารย์มีอุบายหรือฝึกยังไงให้จิตตั้งมั่นครับก็ต้องพยายามบังครับให้มีสติฝึกสติให้มากขึ้นเพราสติเราน้อยพอเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงสติเลยแตกไปไม่มีกําลังที่จะรักษาใจให้สงบได้ เราก็ลองพยายามสร้างสติให้มีมากขึ้นด้วยการพยายามเจริญพุทธานุสติก็ได้บริกรรมพุโทโธให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นอาชีพดูดวงอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บากระหว่างการสวดมนต์ก่อนนอนกับการนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างไหนดีที่สุดครับ เออถ้านั่งสมาธิได้มันจะได้สงบความสงบมากกว่าการสวดมนต์อย่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ทำให้ใจสงบก็ดีกว่าก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้แตความสงบของการสวดมนต์จะน้อยกว่าความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิใช้ไม้ช็อตยุงตายทุกวันแบบนี้บาปไหมครับถ้าไม่ทํามันก็กัดเราเป็นไข้เลือดออกครับถ้ามีเจตนาก็บาป จิตเดิมแท้คืออะไรครับจิตที่สงบนี่ไม่มีความคิดปรุงแต่จะถามว่าใส่บาตรทุกวันแต่ไม่ได้กรวดน้ําบุญที่ทําจะถึงผู้ที่เราอุทิศให้ไหมครับเราต้องอุทิศโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้เพียงแต่ให้เราคิดไปภายในใจว่าเขาอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบคุนะบคคลนั้นบุคคลนี้ที่น้อรับไปแล้ ว, ลวถือว่าเราได้อุทิศบุญแล้ว เดินปัญญาจะต้องทำอย่างไรครับต้องพิจารณาตายลนะต้องศึกษาว่าอนิจจังเป็นยังไงทุกขงังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงคุณแม่เสียไปสิบปีครับอยากรู้ว่าแม่ไปเกิดหรือยังครับก็ต้องต้องเดิปัญญาท่านสามารถติดต่ อ, อกายทิ้งได้ วิธีไหนถึงจะระ ง, งับความโกรธไดเ้เร็วครับระหว่างบริการพุทธโธอย่างเดียวกับหายใจเข้าพุทออกโทรครับก็แล้วแต่นียลองลองดูทดลองดูอันไหนมันได้ผลดีก็ใช้อันนั้นไปได้ยินมาว่าจิตสุดท้ายก่อนตายคิดสิ่งใดก็จะเป็นสิ่งนั้นอย่างนี้จริงไหมครับนี่จริงเนอะคิดเงินเป็นเงินคิดไม่ตายก็ต้องไม่ตายอะไรอยน การถือศีลแปดถ้าไม่ขอศีลจากพระก่อนแต่เราปฏิบัติไปเลยได้ไหมครับได้สัจจะบา ร, รมีกับอธิษฐานบา ร, รมีมีการปฏิบัติที่ต่างกันอย่างไรครับมีความหมายต่างกันอธิษฐาน ว, ว่าความตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายของการกระทำส่วนสัจจะก็คือความจริงใจต่อการตั้งเป้าหมายเช่นตั้งเป้าวันนี้จะมาฟัง ฟังรายการนี้แต่พอถึงเวลาไม่มาเปลี่ยนใจแสดงว่ามีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะต้องมีทั้งสองอย่างจึงสามารถทําในสิ่งที่เราอยากจะทําได้ถ้าเราไม่ตั้งใจไว้กับว่าคืนนี้จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมล้วก็อาจจะไปทำธทุระอย่างอื่นก็ได้เราก็จะไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วแต่เราไม่มีสัจจะพอถึงเวลา มีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าแล้วไปทำอะไรอย่างอื่นะแล้วก็ไปกับเขาแสดงว่าเราไม่มีสัจจะอาจารย์ครับใน t ิ k ต o อกนี้ปรากฏว่ามีคนติดตามแล้วฟังต่อเนื่องเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้หลุดไปก็ยังเข้ามาอีกห้าร้อยกว่าคนนะครับแตอนในเฟซของคุณหมอก็เยอะนะที่ดูตามหลังเนี้ยเป็นแสนเปอนพันทใีใช่ครับได้ดูตามหลังเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ครับ เวลาทีสวดมนต์ไม่ได้พนมมือแต่นับลูกประคำได้ไหมครับแล้วจะได้บุญไหมครับได้มันบุญอยู่ที่สงบและไม่สงบโยมีมุมมีโหมดของความเป็นส่วนตัวสูงเฉพาะยิ่งหากเป็นการกระทําที่มีความเป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวจะไม่บอกกล่าวเรื่องต่างๆให้ใครทราบเป็นอย่างนี้ผิดปกติไหมครับไม่ผิดนะเรื่องส่วนตัวเก็บไว้สิไม่ใเรื่องของคนอื่น ขณะที่นั่งสมาธิอยากไออย่างที่สุดออกสมาธิเพื่อดื่มน้ําหรืออมยาอมได้ไหมครับได้ครับถ้าอยากการเริ่มต้นใหม่เวลาวิ่งวิ่งมาแล้วทอนไปห้ากิโลแล้วก็เราก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วค่อยมาเริ่มใหม่อีกทีหนึงถ้าเราไม่มีสิทธิ์เบิกยาเราให้คนที่มีสิทธิ์เบิกยากรณีใช้สิทธิราชการอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ถ้าเขายินดีทำให้เราก็ไม่บาปนะถ้ามันเขาได้ทำาุญทำงานให้กับเราธรรมโอสถ ร, รักษาโรคร้ายโดยการนั่งกรรมฐานได้ไหมครับลอ ง, ง, ง, งลองทร่างกาย ร, รักษาไม่ได้รักษาได้แต่โรคความทุกข์ใจคำว่าเจตสิกหมายความย่างไรครับอาจารย์ อนนี้เราก็ไม่ไม่ถนัดเรื่องภาษาบาลีต้องขออภัยด้วยลองทองถามกูเกิดูจะดีกว่ามีคนพูดถึงหนังสือไปขอไม่เป็นเยอะขออนุญาตพระอาจารย์อีกทีนะครับขอแอดไลน์เข้าไปที่ธรรมะหนึ่งหนึ่งสองนะครับ d h a m m a หนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วทักเข้าไปเดี๋ยวเขาจะมีฟอร์มส่งไปให้กรอกที่อยู่นะครับ ยังมีแจกอยู่นะครับเจ้าวาดวัดดังวัดหนึ่งในชนบุรีเวลาสอนจะเทศเป็นในในว่าท่านหลุดพ้นแล้วแต่ท่านบอกลูกศิษยใกล้ชิดว่าอยากกินอ้อยจ้อไม่ทราบว่าการกระทำแบบนี้เป็น ส, สิ่งที่เกิดขึ้นได้กับพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นสิ่งที่เราควรตั้งข้อสงสัยป้องกันไม่ให้เรางมงายศรัทธาแบบไม่ลือหูลืมตากับพระ อ, อรหันต์ไหมครับ คาว่าอยากมันก็คือกินเลแล้วไอยากกินการมตัญหาเกิดขึ้นนะอยากกินนู่นกินนี่ก็เป็นการมาตัญหาตอนเป็นเด็กเคยตกปลาเพื่อ น, นำมาทำเป็นอาหารอย่างนี้บาปไหมครับไม่มีความตั้งใจก็บาป ตอนเด็กๆเคยจมน้ำแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองจมลงไปไม่ได้ดิ้นหรือพยายามเอาชีวิตรอดจนแม่มาช่วยดึงขึ้นมาจากน้ำที่เราปล่อยให้ตัวเองจมน้ำแบบนี้แสดงว่าในอดีตชาติเราอาจเคยยอมตายมาก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วเราควรจะสังเกตดูว่าเราใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ตอนที่เราปล่อยถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราเร า, เราปล่อยจริงๆถ้าเราปล่อยแล้วยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อย มีปัญหากับสามีเรื่องเมียน้อยครับมีทะเลาะกันบ่อยจนไม่พูดกันใจของเราอยากทิ้งตลอดเวลาแบบนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ก็พูดกันดีๆขออยากันไปชอบแพนิกเวลาการเดินทางเช่นบนรถที่วิ่งเร็วหรือเครื่องบินกลัว ตายมากๆและทําให้มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากเราควรคิดถึงความตายไว้ว่าตายก็ช่างมันไหมครับเพื่อเอาชนะความกลัวนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ช้าก็เดยอเราก็ต้องตายถ้าใจเราอยอมรับได้มันก็จะหายกลัวมีความคิดผุดขึ้นพุโทโธรู้สึกว่าเหมาะกับจริตตัวเองดีกว่าดูกายคนทําแบบไหนครับก็อเอาแบบที่มันเหมาะจริตกับเรานี่แหละ สั ก, กายทิฐิพอจะประเมินได้อย่างไรว่าเราลดหรือเบาบางลงแล้วครับคือการยึดในร่างกายของเราคืออยากให้ร่างกายของเราไม่ตายไม่เจ็บไม่แก่ถ้าเราลดความอยากวันนี้ได้ก็แสดงว่าเราลดความยึดติดได้รู้สึกเบื่อหน่ายกับการดูแลแม่ที่สูงอายุค่อนข้างดือ้อควรจะทําอย่างไรครับ ก็ย้อนคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่ต้องมแม่ต้องดูแลเราบ้างมาเราด้วยเวล า, าดื้อท่านทำยังไงท่านก็อดทนเนเงินดูเรามาจัดโตได้งั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทดแทนบุญคุณของท่านท่านเดื้ก็อย่าไปถือษาก็คิดว่าท่านเป็นเหมือนเด็กก็แล้วกักนถ้าเราไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์เช่นเดินเหยียบมแมลงโดยไม่เจตนาแต่ทําให้สัตว์ตายแบบนี้ต้องสมาทานสี่ข้อหนึ่งใหม่ไหมครับ ไม่ต้องการกระทำด้วยกายที่เจตนาจะเป็นบุญบาปเสมอและการคิดดีไม่ดีทางใจโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นบุญเป็นบาปเช่นกันไหมครับนี่คุณหมออ่านคำถามกระช้าใินี้เขาบอกว่าการกระทำด้วยกายที่เจตนาอันนี้เป็นบุญเป็นบาปเสมอนะครับ ส่วนการคิดดีหรือไม่ดีทางใจโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่างนี้เป็นบุญเป็นบาปเช่นกันไหมครับยังไม่เป็นเพราะยังไม่ไมีการกระทำทำางกายหารือทางวาจายังเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหากเราทำบุญอยู่ตลอดเวลาด้วยจิตใจที่ต้องการทำดีวิบากกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆจะตามมาช้าลงไหมครับก็อยู่ที่ว่า บุญของเราและความดีของเราที่ทามากกว่าบาปที่เราเคยทําไว้หรือเปล่าหรือที่เราสะสมไว้หรือเปล่าถ้ามันมากกว่าผลของบุญอภัยผลของบาปมันก็ยังจะตายังยังเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องรอให้ผลของบุญส่งผลก่อน้นกว่าบุญจะหมดก็ต่ากว่าบาบาปพื่จะส่งผลได้ คุณยายอายุ91ปีสงสัยและเป็นกังวลว่าสวดและรับศีลเองที่บ้านก่อนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและนั่งสมาธิผิดถูกหรือไม่อย่างไรครับศีลนี่เราสามารถรับเองได้การขอศีลนี่ไม่ได้นหมายว่าเราไปขอศีลของพระมาการไปขอศีลไมาถึงไปถามถามท่านว่าวิธีรักษาศีลมีอะไรบ้างมีการเรียนรูก้การไปสมาทานนี่คือการเป็นการศึกษาถามว่า อยาจะรักษาสี่ห้าแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างท่านก็จะสอนใช่ไหมมีการไม่ฆ่าสัตว์มีการไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผพดปิดบังในกลางไม่พูดปดไม่เดือดของหมุนเม า, ออางั้ถ้าเรารู้แล้วเราสามารถกาหนดขึ้นมาในใจได้หนึ่งด้วยตัวของเราเองว่าวันนี้จะรักษาสิ่งกี่ข้อกว่าไปวันไหนอยากจะรักษาสิ่งก็ว่าไปวันนี้เลิกแั้วนะไม่รักษาแล้วเราสามารถทําเองได้ไม่ต้องผ่านพระ ฝากคนอื่นไปใส่บาตรแทนอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้มีบทสวดมนต์หลักๆที่แปลเป็นไทยและใช้สวดเพื่อให้คนฟังเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ไหมครับมีสติปัฏฐานสูตรนี่เราไปอ่านดูไปาอนดูคำแปลในพระตันปินในในมือถือเนี่ยเรเขีย น, น, ย น, น, นยสติปัฏฐานสูตรมันนี้จะโผลขึ้นม า, า, า, มาแล้วก็มาสวดแล้วเรา แเราก็จะได้เข้าใจความหมายของบทที่ท่านสอนว่า้เราทําอะไรบ้างฝากคนอื่นไปใส่ อ, อ่อนี่ถามแล้วเวลานั่งภาวนาอยากให้จิตนิ่งจะต้องทําอย่างไรครับต้องมีสติต้องหยุดความคิดต้องผูกใจไว้ในตัวคำการลมของกรรมฐานะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธแล้วดู ล, ล, ล, ลมาหายใจเข้าออก เคยได้ฟังพระอาจารย์เทศประโยคนี้บ่อยๆคือการที่ได้มาเกิดในชาตินี้มีค่ามากกว่าถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายร้อยเท่าหมายความว่าอย่างไรครับกอประโยชน์ที่ได้รับน้ำมากกว่าเงินทองที่เราได้จากการถูกลอตเตอรี่นะครับถูกลอตเตอรี่เราก็มีแค่ความสุขในขณะที่เราเป็ชีวิตอยู่แต่พอตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนได้เราก็จะได้นิพพานเป็นน้ำ นิพพานก็คือการที่เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิเดกต่อไปซึ่งเงินทองกี่ร้อยล้านกี่แสนล้านังไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นมาได้พาลูกซึ่งเป็นเด็กสี่ขวบกําลังใส่บาตครับแต่ลูกเอาของมากินอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปครับเพราะนักคอยสอนเขาท่า น, นก็ไม่รู้อิโนย์เนี่เอาของใส่บาตรอยามากินไี่อยากจะกินเอาเอาของอี ก, อกส่วนหนึงให้เขากินไป ทำงานกับผู้บริหารที่ชอบตำหนิทีมงานก็พยายามเข้าใจแต่ก็แอบขัดใจเสมออย่างนี้ต้องวางใจอย่างไรครับก็ีวางใจว่าเราบังคับก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาพูดไปสวดมนต์ก่อนนอนทำให้มีสติมากขึ้นไหมครับก็มีส่วนการสวดมนต์ไม่ว่าจะ ก, ก่อนนอนหรือเวลาไหนก็ตามก็เป็นการเาริสติอย่างหนึง่ง ญาติกำลังจะสิ้นลมครับได้เปิดเสียงสวดมนต์อิติปิโสใกล้ๆท่านจะเป็นการสมควรหรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าท่านต้องการหรือไม่บางทีท่านไม่ต้องก า, การก็อย่าไปรบกวนบางทีท่านต้องการเงียบๆอยู่ห้องข้ามจงบต้องถามท่านก่อนก่อนที่เราจะไปทําอะไรให้กับท่านถามท่านยินดีหรือไม่อยากอยากฟังหรือไม่ถ้าท่านไม่ยินดีไม่อยากฟังก็อย่าไปทํา ฝึกอานาปานาสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาใช่ไหมครับแล้วบริกรรมพุทโธเป็นสมถะอย่างเดียวใช่ไหมครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าอานาปานาสติเราจะเห็นการเข้าออกเข้าเข้าเราไม่ออกก็ตายเราก็จะเห็นอนิจจ์เป็นปัญญาแต่ถ้าพุทโธพุทโธนี่เราจะไม่เห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็เป็นสมถะอย่างเดียวลูกสาวฝากถามครับ เพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึงสองปีแต่สามีเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจจะทำยังไงลูกสาวเป็นคนไม่ค่อยอดทนเป็นคนสมัยใหม่ครับก็ทำสัญญาใหม่เ่ยน้องน้อต่อสัญญาใหม่เขาเขาเป็ียนสัญญาสัญญาแรกทำแล้วมันมันไม่เป็นไปตามสัญญาก็ต้องขอมาปรับสัญญากันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่ว่าก่อนที่จะมาแต่งนี่ก็หวังว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นอย่างนี้ แต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังใช่ไหมครม่รู้ยนีเราก็ควรจะมาปรับความเข้าใจกันครับสวดมนต์ครับออกเสียงกับไม่ออกเสียงดีที่สุดคือแบบไหนครับไม่ออกเสียงจะดีกว่า มีฟาร์มไก่มาเปิดใกล้หมู่บ้านส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านตลอดเวลาช่วยกันไปแจ้งความแล้วแต่ก็ยังเหม็นอยู่ช่วงฝนตกกลิ่นแรงมากๆถือว่าเขากําลังทำบาป ก, กับชาวบ้านไหมครับหรือชาวบ้านควรทําใจเพื่อยอมรับกรรมครับก็เขาก็ไม่มีความเห็นตา่างเขาเบียดเบียนทาให้ผู้คนเขาเสียหายเดือดร้อนจากกลิ่นส่วนชาวบ้านก็ควรทําใจถ้าอยากจะอยู่ต่อไป คำถามสุดท้ายครับทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วตัวโยกไปโยกมาครับแสดงว่าสติไม่ค่อยดีมีสติน้อยถ้ามีสติมากร่างกายจะ น, นิ่งครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับอาจารย์วันนี้มีคนฟังอยู่ในเฟซ756ครับในยู745ในรับ9ครับในติ๊ก o k อ545 รวมวันนี้ 2,000 กับ55คนนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา14นาทีครับาอาจารย์ต่อไป145คำถามครับหนังสือจาก700เล่มตอนนี้แจกไปแล้ว518เล่มนะครับาอาจารย์ครับเอเก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาถามตอบคำถามหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างมากก็น้อยสำหรับการสนทนาทรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรเจเวลา ขอให้ท่านดลนัหมอสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุกขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้ของอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ